หลวงพ่อกําลังสร้างโรงเรียนให้ข้ามีศรัทธา ญ, ญาติโยมอยากจะทําโรงเรียนช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนเดี๋ยวนี้กับกำลังทําโรงเรียนให้โรงเรียนท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายอาคารเรียนสามชั้นสิบห้าห้องเรียนทีนี้กับจวนจะเสร็จเดือนมกราเนี่เพราะว่าเปิดใช้งานได้ละแค่ว่า ให้หมดทุกอย่างเลยนะครูโรงเรียนนี่มีแตว่ว่าเดินเข้าไปก็โต๊ะเก้าอี้ตู้เอกสารโต๊ะครูเก้าอี้ครูเก้าอี้นักเรียนห้องน้ำแบบว่าพร้อมเหมือนกันเนี่ยที่ทำให้เนะี่ยถ้าว่าต่อไปก็คิดว่าจังหวัดละจังหวัดละหนึ่งหลังแต่กะไว้นะนะ จังหวัดทั้งหนึ่งหลังก็คือเดี๋ยวนี้ทางจังหวัดเลยเด่นแรกที่ว่าจะเอาหลังเดียวก็ได้เชียงคานหลังหนึ่งแล้วก็เอราวันหลังหนึ่งแล้วก็น้องบัวลำพู3หรือสี่หลังแต่ว่าไอ้สองชั้นสี่ยกว่าสหลังน้องบัวลำพูแต่อุดรอุดรานน้ำโสมน้ำโสมโรงเรียนท่าโสม สิบห้าห้องเรียนโรงเรียนนางวลสิบห้าห้องเรียนแล้วก็โรงเรียนจ้อยอีกโรงเรียนไอีกสิบสองห้องเรียนอีกแล้วก็ห้องพยาบาลห้องสมุดเนี่ยเรีว่ามไอ้อุดอรก็น่าจะเพียงพอเหมงอนนแต่นี่เราขยับไปทางหนองคายให้หนองคายอำเภอท่าบอกแต่ว่าทางมุกดาหารนี่เหมือนกับ มดลิ้นตามกิ่งคืออย่างนั้นแหละเดินอย่างั้นแหละเพราะว่าหลังไหนได้แล้วโอ้โหมีแต่หลังดีทั้งนั้นเลยแรงในหลังไหลตามมากันคือทางคำเชะอีเนี่ยทงบ้านน้องสูงสิบห้ห้องเรียนอนเภอหนองสูงสิบห้าห้องเรียนแล้วก็บบ้านป่าแดงอสองชั้นบ้านบ้านแวงสองชั้นบ้านลูก ป, ปึ๋งสองชั้นบ้านเป้าสองชั้น บ้านป่ายางสองชั้นหนองเอ็นดงสองชั้นหัวดนตานสองชั้นเออคือเราสร้างมามาหมักแล้ววัน น, นี้ก็เลยมายัางขาดอยู่สกล น, นครเรียนไปหาท่านอาจารย์สุธรรมเนี่ยนะท่านพระอาจารย์สุธรรมบอกสกลนครมีหลังไหนบ้างที่ขาดเหลือขาดตกที่ว่านักเรียนมากตั้งแต่ห้าร้อยขึ้นไปตั้งแต่ห้าร้อยขึ้นไป นักเรียนอาคารเรียนขาดแต่ไม่เน้นหอประชุมนะไม่เน้นโรงอาหารคือเน้นห้องเรียนแอบเน้นห้องเรียนแล้วก็กระบอกไปทางนครพนมด้วยว่านครพนมมีโรงเรียนไหนที่ขาดที่ขาดห้องเรียนที่ขาดโรงเรียนแล้วก็จะโซทอนด้วยมีไหมคือที่แรกจะเน้นหนักจังหวัดละหนึ่งหลังก่อนอในภาคอีสานหรืออุบลก็ได้ หรือกาลสินก็ได้เหมือนนเะนะนะบนมีนะกาลสินด้วยทามีถ้าหากว่ามีหลังไหนแล้วกือจะจะให้ส่งคณะกรรมการคณะรถไฟไปดูดูแล้วกับเหมาะสมแล้วก็ไปเห็นเออไม่ใช่ว่าเสนอขึ้นมาอะไรสร้างไม่ใช่นะต้องไปดูก่อนพอไปดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จึงจะตกลงคณะกรรมการเขาจะ สร้างให้มาเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้กําลังทําให้ท่าบ่ออยู่ปีนี้กับงบกับประมาณชักแปดล้านกว่ากว่าในแต่ละหลักนะสิบห้าองเรียนแปดล้านกว่ากว่าก็ไม่ใช่ถูกกลัวงงินหรอกถ้าว่าใครได้แปลว่าบ้านนั้นโชคดีทีเดียวเลยเพราะว่าท่านผู้สร้างให้ท่านเป็นประธานบริษัทปูนซีเมนไทยเพราะนั้นเรื่องเหล็กเรื่องปูนเรื่องหินเรื่องกระเบื้องนี่ เต็มเท่เลยเหมือนกันเออใครได้แปลว่าเป็นหมู่บ้านโชคดีทีเดียวเลยเหมืนเอนทางส่วนราชการไปเห็นนี่พูดอะไรไม่ออกเลยหลวงพ่อบอกเลยนะอย่างไปโรงเรียนไหนก็ตามอย่างเมื่อกี้หรือไปที่อําเภอท่าบ่อบอกว่าครูบาอาจารย์เลขาคณะกรรมการของโรงเรียนหรือว่าพี่น้องประชาชนในโรงเรียนในเขตท่าบ่อเนี่ยนะมาดูนะอาคารเรียนหลังนี้ ถ้าว่าพวกเราเห็นจุดไหนที่จุดบกพ่องว่าทำไม่ดีไม่ที่เป็นที่พอใจเหล็กมันน้อยเกินไปการผสมปูนไม่ได้ที่เรือว่าการกระทำสิ่งใดก็ตามในอาคารเรียนหลังนี้นะ่ะที่มันไม่ดีให้บอกมาให้บอกหลวงพ่อเลยนะและถ้าไม่ถ้าบอกเขาไม่ฟังให้บอกหลวงพ่อหลวงพ่อจะจะพูดเองไม่ต้องเกรงใจเพราะว่าหลวงพ่อ กับคณะกรรมการเนี่ยทำเนี่ยคือทําด้วยความจริงใจทําด้วยความตั้งใจอยากจะให้เป็นสมบัติของประเทศชาติอยากจะให้มันเป็นสมบัติอยู่นานเท่านานจะให้อยู่เป็นร้อยปีเออคืออยากจะให้อยู่เป็นร้อยปีถ้ามันจะผุพังกรับผุพังหลังคาท่านอะ่ะแต่ตัวอาคารเนะี่ยจะให้มันอยู่แข็งแรงมากเกขาทำให้แข็งแรงจริงๆงเหมือนกันเออแต่ละคาเนะ่ยแต่ละเหล็กเนี่ยป่องอ้อยทั้งนั้นเลยเ อ, อปูนตาช้างทั้งนั้นเลย กระเบื้องปูทั้งสามชั้นเนหมือนกันเถอะเออท่านบนท่านล่างห้องน้ำสีห้องยังไงครเขบว่าทําให้ดีเลยแล้วก็โต๊ะเก้าอี้พร้อมแล้วก็บอกโอ้แต่เห็นมาเนี่ก็ที่สร้างสร้างมามีแต่ทะเลาะกับผู้รับเหมาแต่ตอนนี้เกินกว่าที่ตัวเองเกินกว่าพวกผมคิดเหมือนกันเหล็กมีแต่เหล็กป่องอ่อยทั้งนั้นใส่เหล็กแบบเหลือกินเลยไปโรงเรียน อันนั้นก็เหมือนกันโรงเรียนเชียงคานก็เหมือนกันโรงเรียนเอราวันก็เหมือนกันหลวงพ่อจะต้องบอกอย่างนั้นเพราะหลวงพ่อได้ยินแต่ที่อื่นๆบอกว่าโอ้ยถ้าจะพูดไปก็ไม่ไดเ้เพราะว่าพูดรับเหมากับอาจารย์ใหญ่หรือว่าผู้บังคับบัญชาขั้นสูงเขาเอกพยึกหลับตาใส่กันแล้วขยิบตาใส่กันแล้วแล้วพวกผมจะทําอะไรไดเ้เพราะว่าข้างบนเขา <c oughs> เขาเข า, เขาบอกแล้วให้ทําอย่างนี้ พวกผมจะไปทวงติงไม่ได้ได้อาคารระก็ดีแล้วเออจะทำดีแล้วไม่ดีก็สุดแท้แต่ แ, แต่จะทําให้เท่านั้นแหละนั่นแหละคําอย่างนี้เราไม่อยากจะได้ยินเราไม่อยากจะได้ยินคาอย่างนี้มีอะไรบอกหลวงพ่อเลยเอถ้าว่าเห็นว่าไม่ดีไม่เอแข็งแรงจะเป็นอันตรายหรือว่าไม่ถูกต้องทงไหนบอกเลยว่มีคนใดบอกได้แล้วะเออ นี่แต่เขาโอ้ดีอาคารหลวงพอ่อพี่น้องเคยมากี่หมู่บ้านแลยเนี่ยเคยมาบ่านเนี่ยฮะเคยมาปีที่แล้วนี่บอก ม, มากเลคือเขาในะวัดหลวงพ่อว่ามีการสร้างการแปลงเนาะมากเที่ไนะ่นมีเห็นป่ารงพงยัยปัน่นปาไม้ยาน่าก็เห็นลิงเท่านั้นแนหะเห็นลิงเห็นหมูป่าเดี๋ยวนี้หลวงพ่อกําลังจะคิดจับหมูป่านะ หมูป่าจับไปครั้งก่อนเมื่อปี 44-45 จับไปหยุดเมื่อปี46ได้หมูป่าไปร้อยกว่าตัวไปปล่อยที่ทุ่งกำมังจังหวัดชายภูมิร้อยกว่าตัวบางตัวร้อยกว่ากิโลได้เออเขี่ยโคงแล้วบบนั้นเถอะเขี่ยวงงเลยกับหมูป่านะแล้วก็พอหยุดเอาไปปล่อยได้ไหมันขึ้นมาอีกบ้านนี่ หลวงพ่อว่าอาจจะเกินเก่าก็ได้นะเห็นรอยมันนะแต่ก็ก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่ารอยมันอาจจะยาไปยำมาหมูป่าเนี่ยไม่รู้มันจะเดินไปที่ไหนบ้างเพราะมันหมูป่ามันอยู่เฉยๆไม่ได้นะมันต้องกลางคืนมันต้องเดินอยู่ทั้งวันนะกลางคืนน่ะหมูป่านี่ะเพราะนั้นเห็นมดเต็มไปหมดรอยมันแต่ว่ารอยเยอะแต่นี็ก็เลยเอายังไงถึงพอหยุดปีนั้นน่ะทำไมหลวงพ่อจึงหยุดไม่จับให้หมดหลวงพ่อเขาพยายามจะจับให้หมดน่ะมางนั่นจะ คือทํากรงเหมือนกับกครงมนะันน่ะกครงแมวนี่นะไอ้กครงหนูนี่นะ่ะแต่มันกครงใหญ่ดลยสูงเกือบเป็นเมตรพอนะ่ะยาวเกือบสองเมตรกว้างพันเจ็ดสิบถึแปดสิบเซนใช้เหล็กหกขุนแบบคาดเขียวเลยไอ้คาดนั้นอะไรคาดน้ำเงินเลยว่างั้นเถอะเหล็กคาดน้าเงินอย่างหนาเลยว่างั้นเถอะเอชื่อมเหล็กเป็นกครงเลยจากนั้นก็เอาอาหารไปให้ พอทำเสร็จแล้วก็จะเพาะค่าโกงอย่างเดียวหมดไปแสนกว่าเกือบสองแสนเลยเออค่าโกงหกสิบหกกงนะเออไม่คิดค่าไม่คิดค่าช่างอีกแวแค่ั้นเถอะเออมีแต่คิดค่าค่าเหล็กค่าอุปกรณ์จากนั้นก็พอทําเสร็จแล้วก็เอา้าเตรียมพร้อมแล้วก็ไปวางไว้เป็นที่เป็นที่ว่างัน้นเถอะในวัดเพราะวัดหลวงพ่อทั้งหมดมันพันสามร้อยห้าสิบพันสามรอยห้าสิบไร่เลยแล้ววางเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุด จากนั้นหมูเห็นกลมกับกลัวแล้วงั้นเถอะพอกลัวน่ยกับปลาก่อเอามันบังเอากล้วยบังเอาข้าวบังข้าวสารอะน่นแหลเอาไปกับวางวางวางรอบๆอบก่อนจากนั้นมันก็มาม่มามาก็กินแล้วงั้นเ่ะมากินเอ่มากินทั้งกินทั้งกลัวแล้วกันเถอะที่แรกก็เห็นกับกลัวพอมันไม่น่นก็มากินพอกินเสร็จแล้วเราก็พยายามทิ้งอาหารเข้าไกลเข้าไกลทิ้งเขาทิ้งเข้าไปในกรงเออโยนอาหารเข้าไปในกรงมันก็เข้าไปกินในกรง เ, ออเห็นว่ากองไม่ทําอะไรมันแล้วทีานจันนทพระเขาบอกแล้วบอกว่าหมูเข้ากองหมดแล้วหลวลงพ่ อ, อหมูเข้าไปกินอาหารในกองหมดแล้วเนี่ยอ้าวดักทีนี้วะ <c oughs> ก็ทําหนังสือไปถึงหัวหน้าสวนราชการท่านเองทั้งผู้วา่าราชการจังหวัดทั้งในอําเภอทั้งป่าไม้เขตป่าไม้จังหวัดป่าไม้อําเภอเ อ, อหัวหน้าป่า ป, าปศุสัตว์อําเภอปศุสัตว์จังหวัดอศัตวแพทย์เออ ต้องมารับรู้รับทราบรวมกันเอพอจดหมายเสร็จแล้วกัวันนั้นละ ว, วันที่เทนั้นจะจับหมูป่าตอนเช้าเอมาพร้อมกัน่พอดักมาได้เลยทีแรกก็ได้ทั้งยี่สิบยี่สิบเกือบสามสิบตัวนะวันแรกนะโอ้หมูป่าทีนี้ดักมาได้ทีนี้กัพอมาดักมาแล้วกับปศุสัตว์ก็เอาน้ําอาบน้ํายานะน้ํายาอาบเพื่อเอาไปปล่อยข้างหน้าเพื่อไม่ให้มันไปติดเชื้อกับพวกที่เร า, เาไปปล่อย จานั้นกระสีวัคซีนจัตพแพทย์กระสีวัคซีนจากนั้นก็ลงน้ําหนักเท่าไร่อะไรเท่าไหร่ก็รับรู้รับทราบกันจากนั้ก็ขนขึ้นรถสิบล้อเลยไงรถฉลามนําหน้าแล้วกันเถอะเดี๋วไฟแวบแบบผมเหมือนเจ้านายตรงนั้นเลยเจ้านายป่าไปสู่ป่าอีกป่าหนึ่งเหมือนเดิมทำไมจึงทําอย่า ง, งานั้นเพราะว่าถ้าว่ารถสิบ ล, ลอ้อไปใช่ไหมไปตามลําพังพอไปถึงน่จากนี้ไปมันผ่านสีจงดดังหวัดเด้ อุดร อ, อลังบัลลาพูขอนแก่นชัยภูมิอ่ะเออทีนี้มันผ่านทั้งสีจังหวัดท่ารถสิบล้อไปอำเภอใรอำเภอหนึ่งถูกด่านตรวจใช่ไหมหมูมาจากไหนหมูจากนาคำน้อยอำเภอนายูงหมูปา่าใช่ไหมโอ้ไม่ได้หมูป่าผิ ด, ดกฎหมายยักย้ายอย่างไงโพ้นที่สุดทํา์ทำยังไงได้ทีนี้ใช่ไหมเออทีนี้ก็หมูป่ก า, ก า, กากักันอยู่นั่นเลยทีนี้กว่าจะเคลียร์พื้นที่ได้โอ้ยหมูป่าตายพอดีพวกเขาไปลาบกันั้นเถะ เออตายมึงตายลงไปตายจะได้ไปลาบเหมนนเทีนี้หลวงพ่อก็เลยปรึกษากับพวกส <t ont ur pension> ่วนราชการพวกเจ้านายก็เลยเอาตำรวจฉลามนำหน้าเถะนะเออเปิดไฟบ๊บบ๊บไปเอาไปปล่อยทุ่งกระมังตำรวจด่านไหนก็เปิดเปิดด่านหมดวันนั่นแหละเอาไปปล่อยปล่อยทุ่งกระมังพอจับไปจับมาสิจับถึงห้ากครั้ง้าครั้งที่หกมั้ง พอครั้งที่หกขึ้นมาเนี่ยหมูป่าไม่เข้ากองบาดเลยโอ้ยมันฉลาดยิ่งกว่าอะไรอีกทีนึงเอาหมูขังพระได้บัดมันไม่ใช่ว่ามันจะเอาพระจะขังหมูไบัดเลยเออที่แรกก็เอาอาหารลออเขาไปมันก็ไปกินเด้วันนี้แหละจะดักหมูแล้วท่านทำหนังสือไปแล้วพอไปแล้วหมูไม่เข้ากองสักตัวเลยบาดเลยโอ้ยตายตายตายตยตหลวงพ่อก็เลยบอกว่าหมูที่แรกนะ่ะหมูปอสีมันมันโง่มันเซ่อว่ะ พอต่อมามันหมูมอสามมอหกต่อมาหมูปริญญาตรีบัดนี้หมูปริญญาเอกแล้วบัดนี้วะมันฉลาดแล้วเอมันไม่เข้ากรงแล้วบัดนี้วะก็เลยหยุดจับพอหยุดจับมาที่นี่ก็เลยไปศึกษากับหลวงปู่ทวยเอกก่อนี้หลวงปู่ทวีเป็นลูกพี่เด้พนว่าจับหมูวะจับอย่างนั้นจับคนเคยจับอะไเด้หลวงพ่อก็เลยไปปรึกษาพนพนก็เลยบอกว่าจับอย่างนี้อย่างนี้หน่อย บ้านในหลวงพ่อก็เลยทำกองบ้านนี่พลวัตให้แนะนําให้ทำกองกองใหญ่เด้ใหญ่ของบริเวณศาลานี่ที่กองนที่ว่านะทำเป็นกรวดตะข่ายสูง2เมตรแล้วกับสองชั้นอีกต่างหากเลยกลัวมันจะทะลุว่างั้นเถอไอ้ตะข่ายแบบตาเข้าลามตัดอย่างนั้นนะเหล็กนะเด็กเข้าลามตัดสูง2เมตรแล้วก็กล้อมรอบแล้วก็มีประตูเข้าสีประตู แล้วก็มีงวงช้างสองงวงแล้วก็แบ่งครึ่งกันนะตั้งการก็ทํารั้วอีกพอมันเข้ามาเสร็จแล้วก็แบ่งมันวิ่งไปวิ่งมามองโดยสายตาแล้วก็ปิดพอปิดเสร็จแล้วแต่นี่เปิดงวงช้างใช่ไหมพองวงช้างมันก็จะวิ่งปูถ้าทางออกเข้าไปงวงช้างใช่ไหมพอเข้าไปงวงช้างเนี่ยคนก็เข้าไปก็ใช้ไม้ให้ครับมันเข้าไปเลยก็ใช้ไม้รัดลัดลัดเหมือนกับใส่กอกในหัวกันเถอะ สอดลัดลัดลัดลดลัดไปหมูมัอยู่เป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวเป็นตั ว, ตวแต่ได้กระใส่กรงท่านี้ไว้ใช่ไหมเปิดกรงมันจะวิ่งพุ๊บเข้าไปปิดมัดเรียบร้อยเอาออกไปกระใส่กรงมาอีกปล่อยกรงที่พุ๊บเข้าไปใส่อีกเออคิดว่าจะทําอย่างงั้นทีนี้เด็้ก็เลยพอทําเสร็จเรียบร้อยเด็ยเอาผู้ชํานาญการมาจากดงสรียงพูใช่ไหมที่เขาเคยจับโอ้ยหลวงพ่อสองเมต้าสิบไม่พองั้น ต้องตีไม้ขึ้นไปเอกการเอกไปกันสามเมตรเฟอร์สันเลโอ้มันสูงขนาดน่ะโอ้กระโดดสูงนะหลวงพ่อนะงันแต่ว่าข้างสูงไม่ต้องทําแข็งแรงหรอกกันพราะมันกระโดดขึ้นไปมันหมดแรงแล้วเอาขนาดไม้พัดพาดในกระเพอแล้วอะไรเงี้ยกระโดดตำไม้ไงหงายหลังนะหลวงพ่อก็เลยอะในเมื่อผูช้ชํานาญการแนะนํนามื่อเราก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นแหละทีนี้ก็เลยเอาไม้พาดขึ้นบน3ามเมตรกว่าเอีตีล้อมรอบ ตอนนี้แล้วรอบเสร็จแล้วก็เลยอ้าวเสร็จแล้วทอนนีะ้ะ mm hmm. ก็เลยทําแจ้งข่าวไปทางป่าไม้เขตเขาเพราะว่าหมูสัตว์ป่านั้นเป็นมันเข้าเขตพวกอนุอนรักษ์ป่าเนยก็เลยโทรโทรเออแจ้งหนังสือแจ้งไปแจ้งไปได้ก็มาดูโอ้ดีแข็งแรงเลยส่งไปหาพริษัตทบริษัตว์มาดูอีกอืมเอาแข็งแรงกคง ใ, ใช้ได้ไม่แตกแน่กันเด็กๆก็เลยทําไปไปถึงป่าไม้เขต ป่าไม้เขตบอกว่าป่าไม้เขตก็ยังบอกว่าอืต้องไปปอดไปต้องไปถามที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวก็เลยไปติดตอ่อทางโน้นอีกไปติดตอ่อทางโน้นบอกว่าไม่ได้เพราะว่าใบอนุญาตเนี่ยตั้งแต่ปีสี 6, ่หกแล้วจะมาทำใหม่อีกไม่ได้อ้าวเราก็ทำเมื่อกัดอย่างเก่านั่นแหละหว่าเพียงแต่ใบอนุญาตเก่าก็น่าจะจับได้นะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทาอะไรให้เสียหาย อแต่ก่อนแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะจับคนเดียวมันก็ต้องส่วนราชการเข้ามาเกี่ยวข้องถึงเยอะแยะไปว่ะเขาไม่อนุญาตแต่เด็ก็เลยเรื่องก็เลยส่งเข้าไปกระทรวงเข้าไปกรมอีกกวะเนี่ยโอ้ยเราก็ปวดหัวกับข้าราชการไอ้เรื่องไม่เป็นแต่เรื่องก็ให้มันยากไอ้เรื่องที่มันไม่ให้มันยากมันก็ยากเนีว่าส่วนราชการเนี่ยลงพ่อว่าเนี่ยว่าพิจารณาดูแล้ว ก็เราทํามาจนพอแรงแล้วก็ไม่มีเห็นมีปัญหาอะไรเออมันมีปัญหาอะไรมาเอออุญาตนะจบจบไปก็นะจบไปเพียงแค่ น, นั้นพวกใจ อ, อนุญาตอะไรพราะเขามาไปฆ่านะไปปล่อยนีว่วะเออเอาไปปล่อยที่ทุ่งกระมังจังหวัดชายภูมิปรได้๋ยวหลงพ่อก็เลยคาดคายติดเติ่งอย่างนั้นอย่างนั้นเลยทาเสร็จแล้วก็เลยรอรับใบ อ, อนุญาตแต่นั้นแหละสงสัยป่วกจะกัดเสาหมดนะมั่งจึงจะ อ, อนุญาตมา หลวงพ่อก็ได้จ่ายเงินค่าตัวนี้อีกไปเกือบสองแสนกว่าได้ตัวนี้ที่ค อ, อกนี่นะเพราะว่าหลวงพ่อวันพ่อบอกกับพระบอกว่าต้องทําให้ดีนะถ้าว่าค อ, อกแตกเมื่ อ, อไรพวกนั้นนะ่ะพวกท้องสู่เจา้าทะลุเลยแล้ว่าหมูป่าน่ะว่าเออมันดุนะว่ะเออถ้าถ้าถ้าค อ, อกแตกเมื่ อ, อไรก็อันตรายน่ะว่าเพราะนั้นต้องทําให้แข็งแรงพระท่านก็เลยทำแบบเสาถี่ยิบมีคํายันคํำนอกคําในอีกต่างหากไว้กันเตะ ว่าแข็งแรงมากเลยนะผมพ่อไปเห็นเออใช้ได้ว่ะแต่ทธอเรื่เลยมาติดจุดจุดนี้แหละจุดที่ว่าป่าไม่ไม่ยังไม่อนุญาตเรื่องคอยค อ, ยคอยกันอยู่ mm hmm. ถ้าหาว่าอีกสักปีหนึ่งถ้าหากว่าไฟ อ, อนุญาตมาเลยก็ไปว่ากองนี่ต้องได้ทําใหม่อีกแล้วว่างั้นเถอะโอ้ลูกหลานเนี่ยสางหาเหตุถูกเค็ีอย่างให้โพเเอา์ที่นอฮั mm hmm. นนีนอโ mm hmm. มอเน่ท่านพระอาจารย์สุธรรมกับท่านพระอาจารย์บุญมี ที่เป็นหมูเป็นเพื่อนสหธรรมิกของหลวงพ่อได้มาทำวัดคารวะพาญาติโยมอันนี้ถือเป็นเพณีของครูบาอาจารย์ที่พาปฏิบัติกันมานะหลวงพ่อเองก็ไปกราบคารวะครูบาอาจารย์หลายวัดปีนี้รวมๆนับๆดูมันเกือบ10วัดมั้งหลวงพ่อก็ไปคารวะ ค, คิดว่าเพียงพอแล้วล่ะแต่นี่ก็มี วัดต่างๆหมู่พวกเพื่อนมาไปมาหาสู่กันก็มาคารวะเป็นประเพณีแต่ตามไม่จริงกับหลวงพ่อว่าก็ดีดีอย่างใดอย่างหลวงพ่อเนี่ยพาศรัทธาญาติโยมไปบางทีก็ไปทัศนศึกษาแต่บางครั้งก็นึกเบื่อเบื่อมอนกันนะ่ะพอไปแล้วก็ต่างคนก็ต่าง แ, แต่กระจุยกระจายกันโดยยุ่ากบั่นนอกพาบัาน่นพวกชาวบ้านไป บางทีบอกแล้วบอกอีกพอไปเห็นนลยอยากจะไปดูที่นี่อยากจะไปดูที่นี่พอไปถึงแล้วก็กว่าจะรถจะกลับเข้ามาประจำที่ได้โอ้ยพอแรงแต่พอมาช่วงหลังๆ้า ง, างาว่าใครไปที่ไหนก็ไม่ว่ากันนะว่ะพอเสร็จแล้วออกไปเลยนะไม่รอใครนะยังค่อยยังค่อยนั่นมางั้นเถอะขนาดนั้นก็จะไปทิ้งเด็กหนุ่มไว้ที่วัดหลวงปู่เหรียนมั้ง โอ้ยขาทางออกไปเจอทีนี้เงินก็ไม่มีทีนี้อยู่อำเภอสีเชียงใหม่อยู่นั่นหน่อยเด็กเด็กหนุ่มวะนี่โอ้ยจากนั้นมาก็เลยเรื่องข่าวก็เลยเรือไปแคทอะไรเงี้ยเถอะเออถ้าว่ามีเงินก็ค่อยยังชั่วใช่ไหมแหละมีเงินติดกระเป๋าพอจะจับรถไปที่ไหนก็ได้ไอ้เนี้บ้านนอกนี่มันไม่มีเงินเออแล้วจะทํายังไงทีนี้กว่าจะเดินมาจากที่นี่กี่วันจะมาถึงเออบ้านตัวเองทีนี้โอ้อ มันจะร้องหูมจะร้องให้ไม่รู้จะเอาอย่างไรางรเหมือนกันเพราะนี้สุดก็เลยโอ้จางนัดมาเขาก็เลยเค็ดกันเลยทีนี้ว่างั้นเนี่ยเ น, นี่ยอเดโนโอแต่ถ้าว่าไปาดูหลายๆแห่งก็ดีไปทัศนศึกษาจะให้เหมือนกันก็ไม่ได้อย่างท่านวัดพันพระอาจารย์สุธรรมอันนี้ครับถ้าไปดูก็อา้าวท่านอยู่อย่างไงน้ําท่านใช้อย่างไงจาลาท่านอยู่อย่างไงที่พักพรา ศรัทธา ญ, ญาติโยมเป็นอยู่ยังไงอันนี้ก็เราก็จะได้รู้ได้เห็นอย่างไปวัดหลวงพ่อบุญมีถ้าเตาอย่างนี้ท่านอยู่ยังไงท่านวางแผนยังไงศาลากุติของท่านที่ฉันอาหารทำยังไงก็ไปดูในภูมิทัศน์ของท่านอย่างมาวัดหลวงพ่อก็เหมือนกันมาวัดหลวงวัดปานาคาน้อยหลวงพ่ออินศาลาเป็นยังไงที่พักพาเป็นยังไง อย่างเนี้ยก็แตกแตกต่างกันอั น, นิวาททัศนศึกษาไปเพื่อการศึกษาไปเพื่อดูสถานที่จากนั้นเราเห็นสิ่งใดในวัดแต่ละวัดนะ่ะที่เรายังไม่มีหรือว่าเรายังด้อยกว่าเราก็นําสิ่งนั้นเอามาใช้ในวัดของเราหรือเอามาใช้ในบ้านของเราอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ดีแต่ถ้าเขาาไปแล้วไม่ได รับอะไรมีแต่ไปเฉยๆไปดูเฉยๆไปไม่ได้คิดไปไม่ได้อ่านไปที่ไหนไปไม่รู้ไปกี่หมู่บ้านไปกี่อำเภอไปกี่จังหวัดไปกี่ประเทศรอบโลกไม่รู้กี่เที่ยวไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพออราะเหตุใดเพราะเราไม่ได้คิดไปแล้วไม่ได้นาสิ่งที่ดีๆของเขาเอามาใช้แต่บางคนสิ่งดีไม่เอานะกลับไปเอาสิ่งที่สิ่งที่มันไม่ดี หลุงพ่อเคยพูดอย่างนักศึกษาเด็กหนุ่มของประเทศของเราไปศึกษาต่างประเทศทั้งที่จะเอาของดีๆเอามาใช้ในประเทศตัวเองสิ่งนหนที่เป็นกฎเป็นระเบียบเอามาใช้นู่นเอาไปไปเอาสิ่งที่มันไม่ดีเหมือนนเถอะสิ่งที่มันไม่ดีคืออะไรฮิปป์ื้ฮิปปี้เหมือนนเถอะเอาจาะหูเจาะจมูกดูๆแล้ว ไม่ไม่น่าจะเอามาใช้แต่ก็ก็ไม่ใช่หูหลงพ่อเขาจะว่าอย่างนั้นอีกเหมือนกันนั่นแหละวะแต่ว่าดูๆแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ก็น่าจะเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เอามาใช้เมื่อเราไปศึกษาไกลขนาดนั้นน่าจะเอาสิ่งที่ดีเอามาใช้กับตนเองอันนี้ก็เหมือนกันการทัศนศึกษาหลงพ่อว่าเกิดประโยชน์สาหรับผูท้ที่ไปดูในสถานที่ต่างๆใช้สติใช้ปัญญาแต่ถ้าว่าไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาแล้ว ไปที่ไหนก็อย่างเก่านี่ยอ่ไปที่ไหนก็แบบเก่าไปที่ไหนก็อย่างเก่าเพราะไม่ได้ใช้ความคิดอ่อย่างโบราณเขาว่าเนี่ยสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กเอีเขาพูดเป็นภาษาเป็นคําพังเพยแางนั้นอะเน่ยเป็นคําพังเพยทางอีสานเนี่ยเขาบอกว่าพ่อปันเก่าอีตาเลาไปไทยกลับมาบานหัวล้า น, นาคือเก่าแปลว่าคนหัวล้านใช่ไหม กลับขึ้นมาก็ต้องหัวร้านอย่างเก่านะ่ะจะไปทำยังไงเอพอปันเกาอีตาเลาไปไทยกลับมาบ้านหัวล้านคือเก่าอันนี้ถ้าจะเปรียบเทียบกับว่าคนที่ไม่ใช้ความคิดนะจะไปนักสถานที่ใดกลับมาก็เหมือนเก่าไม่มีการปรับปรุงแก้ไขการเป็นอยู่ของตนเองให้ดีขึ้นเนะสรุปแล้วนะเเนะนะพราะนั้นการที่จะไปณสถานที่ใดถิศใ ด, ดเราต้องสังเกต ต้องใช้ปัญญาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเนี่แหละไม่เสียหายถ้าไปอย่างนั้นไปมากเท่าไหร่ก็ริงได้สติได้ความรู้อย่างไปหาครูบาอาจารย์ไปแต่ละวัดอยนีน้บางทีท่านไปท่านก็ได้เห็นอากัปกิริยาของท่านท่านมีอากัปกิริยาอย่างไรหรือว่าการพูดจาพาทีของท่านทําอย่างไรและคําพูดของท่านเกิดประโยชน์ไหมสําหรับเราเราได้ประโยชน์อะไรจากท่านในการได้ยินได้ฟังในครั้งนี้นะ หลวงพ่อว่าเราไปแต่ละครั้งแต่ละแห่งละหนดโดยมากจะได้ถ้าไปด้วยสติด้วยปัญญาแล้วจะได้แนวความคิดทางด้านจิตใจมาหาตัวเองไม่มากก็น้อยแต่ถ้าว่าไปอย่างที่ว่านะก็ไปกลับมามีแต่ได้ความเหนื่อยความเหนื่อยหน่ายกลับมาแต่ถ้าว่าไปด้วยสติด้วยปัญญาแล้วจะได้ความรู้ในได้แนวความคิดนําไปใช้ เกิดประโยชน์นี่แหละอันนี้มาครั้งนี้ก็หลวงพ่อเองก็อยากจะให้สัทยาญาิติโยมทุกท่านเป็นการทัศนศึกษาส่วนหนึ่งแต่ส่วนด้านจิตใจนั้นก็เป็นการเป็นการกล่าวอ่าเป็นการกล่าวเป็นการบอกกล่าวให้พวกเราอย่านิ่งนอนใจในการเป็นอยู่อย่านิ่งนอนใจในชีวิตของเราถึงเราจะมีอายุถึงมากขนาดนี้ถึงเราจะมีความ สงบพร่มเย็นเป็นสุขในระดับหนึ่งเป็นที่พอใจของเราเพราะว่าเราอยูใ่ในพอใจในการเป็นอยู่แต่าตามพิจริงการเป็นอยู่ของเรานั้นมันไม่ใช่จะหยุดอยู่เพียงแค่ใดแค่หนึ่งแต่การเป็นอยู่ของเรานั้นมันจะไหลไปเรื่อยๆไหลไปทางต่ำทางต่ำคืออะไรที่แรกเม่อเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราคิดอะไรก็ได้อย่างใจหวังแต่พอต่อไปภายภาคหน้าความแก่ของเราเนี่ย มันจะไหลไปไหลลงทางต่ำต่อไปก็แก่ไปเรื่อยความแก่ตัวนี้ลหละเรามองไม่เห็นจะเอาอะไรมาวัดก็ไม่ได้ถ้าเป็นเข็มนาฬิกาน่ความแก่ของเราเดินเร็วกว่าจิ่งกว่าเข็มนาฬิกาอีกไม่มีระหว่างถ้าเข็มนาฬิกาอย่างมันจะขยับไปในเมืนอย่างจึกจึกมันจะขยับไม่ค่ยข้ามมันอยู่เป็นที่แต่เข็ม ความแก่ของเราเนี่ยมันจะไหลไปเรื่อยๆถ้าหากว่าอยู่ในช่วงหนึ่งกับมันก็ยิ่งไหลแรงอย่างที่พวกเราเป็นหนุ่มเป็นสาวก็จะอยู่ในระดับหนึ่งแต่พออายุ30กว่าปี40ปีเนี่ยลงพ่อว่ามันครึ่งแล้วนะถ้ า, าว่าเป็นถ้าหากว่าเป็นกําลังของคนก็ไปว่ากําลังครึ่งสามสิบสกว่าลงไปแล้วหลงพ่อว่านั่นแหละ กำลังของเราจะไหลลงไปทางต่ำเน่ยค่อยลดลงน้อยๆทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยแต่พอถึงหกสิบปีขึ้นไปอย่างหลวงพ่อเดี๋ยวนี่หลวงพ่อหกสิบสามปีแล้วนะหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกได้ชัดเจนเลยการเดินช้าแต่ว่าความคิดความรอบคอบนั้นหลวงพ่อว่ารอบคอบขึ้นกว่าแต่ก่อนมากจะทําจะทําอะไรจะคิดอะไรอขึ้นมารู้สึกว่ารอบคอบกว่าแต่ก่อนแต่ว่ากําลังวังชานั้น หลวงพ่อเห็นได้ชัดเลยว่ายอมรับว่าร่างกายของหลวงพ่อเนี่ยอ่อนลงไปตามลําดับลําดับอแต่มันช่วงที่อ่อนลงมากๆกับช่วงที่ห้สิกว่าปีมาเนี่ยรู้สึกน้ํ า, าถ้าเป็นน้ําก็ไหลชันพอสมควรถ้าต่อไปนี้หลวงพ่อว่าคงจะไหลโกรกเลยเหมางั้นแต่เนี่ยเพราะความแก่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้คิดไว้เราไม่ได้เตรียมการเอาไว้เราไม่ได้คิดไว้ มันก็แก่ไปเรื่อยๆแต่ตาไม่จริงถ้าว่าเราคิดไว้ดีกว่าเราจะได้วางแผนชีวิตของเราจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทความแก่ความเจ็บความตายรอเราอยู่ทุกๆ ท, ท่านไม่มีใครหลีกลีหนีพ้นไปได้อย่างในครั้งพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าแต่ว่าจริยะจริยะคือประเพณีหรือการเป็นมาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่าน เกิดมาท่านไม่ใช่เกิดมาพบเดียวชาติเดียวเกิดมาอดีตชาติก็มีนะบะจริยะคือการเป็นมาของพระพุทธเจ้าการเป็มนมาของพระพุทธเจ้ า, า, าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสมัยหนึ่งเราเป็นมหาโควินทาพามเราเป็นมหาโควินทพามเราเป็นมหาพรามใหญ่เป็นอาจารย์สอนพระเจ้าแผ่นดินถึงเจหัวเมืองอถึงเจหัวเมืองที่มารับการอบรมจาก โควินทภามแต่โควินทภามนั้นเป็นที่ยอมรับของมหากร์ทั้ง6เมืองถ้าจะว่าไปแล้วเรื่องราบเรื่องยศชันเลเสริญสุขทางโลกนี่เหลือเฟือเหมือนกันะจะเอาเงินขนาดไหนเออมีภรรยาอีกหลายคนอีกอคนในยุคสมัยนั้นจากนั้นก็มีทรัพย์สมบัติอีกมากมายอีกอในพระไตรปิฎกท่านพูดไว้อย่างนั้นนะเพราะว่าเหลือเฟือในการเป็นอยู่ ในชีวิตของท่านเรื่องราบเรื่องยศสรรเสริญถ้าว่าคนหกล้มลงไปนี่ เ, เวลาคนหกล้มลงไปเขาลุกขึ้นมาขออมหาโควินภพภ ร, รมเมตตาข้าพระเจ้าด้วยเอเวลาจามอย่างนี้เขาเวลาจามเขาพุทธโธนี่เขาเนี่ย เ, เวลาจามลงไปเขาว่าขอเป็นขอมหาโควินพรรมช่วยผู้ฆ่าด้วยฮะ เขาจะเรียกหาต่โควินตพามเหมือนกันแหะเพราะโควินตพามเป็นผู้มีเมตตาต่อคู่คนทั้งหลายในยุคยุคสมัยนั้นถ้าใครมีทุกอยากอะไรพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่โควินตพามนีเป็นผู้สอนอัดสอนธรรมสอนความประพฤติสอนแนวความคิดให้แก่คู่คนในยุคสมัยนั้นเพราะฉะนั้นคนสมัยนั้นก็นับถือเรื่มใส่โควินตพามท่านี้โควินตพามก็เสียงเรื่องลือไปและทนี้บอกว่าโควินตพามเนี่ เป็นผู้มีปัญญาสามารถที่จะพบกับพระพรหมได้สามารถที่จะพูดกับพระพรหมได้ทีนี้โควินทพามก็ได้ยินทำไมเราไม่ได้พูดกับพระพรหมเลยเราก็ไม่ได้เห็นพระพรหมเลยแต่คนทำไมเรื่องลือข้าพปเจ้าถึงขนาดนา น, นาแทีนี้ก็ท่านก็คิดลำพึงในใจตามโบราณการเนี่ยคนที่จะพูดกับพระพรหมคนที่จะ พบเห็นพระพรหมได้เนี่ยต้องเป็นผู้ไปบปําเพ็ญอยู่ในป่าเราเอาเถอะเราจะยังไงเราก็จะพบกับพระพรหมให้ได้แต่นี่โควินธพามท่านก็เลยเข้าไปหาพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ไปสั่งลาพระเจ้าแผ่นดินทั้ง6กเมืองทั้ง7เมืองเหมือนกันนะแล้วบอกว่าข้าพระองค์เนี่ยสั่งสอนพวกเป็นพรโรหิตใต้จาย์กล่าวสั่งสอนเหมือนพระเจ้าแผ่นดิน ทั้งหลายมาก็เป็นเวลานานแล้วตอนนี้ไปก็อยากจะให้พวกลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าพักผ่อนไว้ก่อนข้าพเจ้าจะขอบาอเพ็ญเพราะคนระบื อ, เ, อเรื่องลือไปว่าโควินทพามได้พูดกับพระพรมแล้วก็ได้สนทนากับพร ะ, พ ร, ะพรมแต่ข้าพระองค์ยังไม่ได้พบอย่างนั้นแต่คนโบราณของเขาเขาเขียนไว้ในตำราว่าผู้ที่หลีกล้นไปอยู่ตามลาพัง จะได้เจอกับพระพรหมเพราะนั้น ข, ข้าพระองค์จะขอสเดือนนี้ในพรรษาเนี่ยในพรรษาสเดือนนี่คือตั้งแต่เดือน8ปดเพนจนถึงเดือน12บสอเพนเหมือนกันข้าพระองค์จะไปอยู่ตามลําพังจะไปภาวนาอยู่ตามลําพังให้แต่เฉพาะคนไปส่งอาหารเท่านั้นที่ไปพบกับข้าพระองค์ได้แต่นอกนั้นไม่ให้ไปไม่ให้ไปพบกับข้าพระองค์ข้าพระองค์จะไปอยู่ในป่า จะบําเพ็ญตามลําพังคนเดียวจากนั้นพระเจ้าไปดินก็นอนุมัติอนุ ญ, ญาตตามแต่โควินท่าพามนั้นก็ไปอยู่ตามลําพังท่านไปภาวนาอะไรท่านไปบอกไปภาวนาการุณาคําว่าการุณาคือพอยินดีผู้อื่นได้ดีคล้ายๆกับว่าไม่อิจฉาเขาเหมือนันจ้ะในการเป็นอยู่ไม่ไม่อิจฉาคนเลยมีแต่ส่งจิตไปโอ้ขอแสดงความยินดีด้วยกับทุกๆ ท, ท, ท่านฮะ คล้ายๆว่ามีเมตตามีเมตตามีเมตามเมตาคือความอยากจะให้คนอื่นมีความสุขนะตะกรุณาคือความสงสารอยากจะช่วยคนอื่นให้พ้นจากทุกข์ท่านไปพาวนากรุณาอยู่ในป่าถึงสเดือนอยู่ตามลำพังเจอแต่คนไปส่งอาหารเท่านั้นล่ะนอกนั้นท่านก็อยู่ตามลำพังไม่ให้ใครไปเกี่ยวข้องทั้งหมดสเดือนพอเดือนที่สท่านก็อึดอัดท่านันนะ ในพระไตรปิฎกธรรมะอึดอัดพราม์อึดอั ด, อ ด, อดเอ๊ะทำไมเราก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วทําไมเราจึงไม่เห็นพรมลงมานี่พรมเลยมีจริงหรือเปล่าหน้าน่ยตอนนี้สนังกุมารพรมน่ยได้ยินวลจิตของโควินธพามท่านก็ลงมาจากชั้นพรมหมือนกันลงมาเจอต่อหน้าเลยมายืนต่อหน้าโอโควินทพามโควินทพามก็ตกใจถามว่าท่านเป็นใคร พรมก็บอกว่าเราเป็นพรมสนังกุมารพรมท่านจะถามอะไรก็ถามได้ท่านมีข้องใจอะไรอยากจะถามเราก็ถามได้โควินทพามก็บอกว่าอย่างอื่นข้าพเจ้ารู้ข้าพเจ้ารู้ในทางคดีโลกข้าพเจ้ารอบขอบทแล้วแต่ยังเหลือคดีธรรมจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะไปอยู่กับพรมได้จะไปอยู่ยังไงจึงจะไปอยู่กับพรมได้ ในนี้สนงังกุมารพรมพก็าบอกว่าผู้ที่จะไปอยู่กับพรมพน่ต้องหลีกลี้หนีออกจากพื้นที่ออกจากที่พักของตนเองไปอยู่ตามลำพังจากนั้นก็แผ่เมตตาภาวนาพร ม, มวิหารสี่ เ, เมตตากราุณามุทิตาอุเบกขาถ้าว่าท่านท่านทำอย่างนี้คือหลีกลี้หนีออกจากที่พัก คือสรุปแล้วก็คือให้บวชให้บวชเป็นอภรรมวจริยาอยู่ตามลําพังท่านจะพร้อมที่จะเป็นพรมได้พร้อมที่จะเห็นพรมได้พร้อมที่จะไปอยู่กับพรมได้นี่แหละอันนี้ก็คือถ้าจะว่าไปแล้วพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านได้เป็นโควินทพามท่านบอกว่าโควินทพามนั้นทําตนอย่างไร จากนั้นโควิธด -19 Prime ก็ออกบวชเป็นลือศีอยู่ในป่าจากนั้นโควิธด -19 Prime ก็บําเพ็ญอย่างเพ่งพลัดรักษาอภรร ม, มจริยาจากนั้นท่านก็แผ่เมตตาอยู่ในจิตใจจากนั้นโควิธด -19 Prime, พอตายจากชาตินั้นท่านก็ไปขึ้นไปสู่พรหมไปเกิดในพรห ม, มโลกมานี่แหละอันนี้ก็คือเป็นแนวทางสําหรับ คนบรมโบราณที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาฉะนั้นพวกเรา ท, ท, ทุกท่านนักญาติโยมทุกคนที่ได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาจนเกินไปชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวนั้นอ่ะเพราะนั้นให้ตั้งใจสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้บุญกุศลนั่นแหะจะพึ่งพาจะพาพวกเราไปนําไปสู่สุขคติ กติภูมิต่างๆได้แต่คําว่าพวกเราไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้เตรียมตัวไม่ให้พร้อมหลวงพ่อว่าจะเสียท่าเสียทีนะในครั้นสุดท้ายพ่อชีวิตของพวกเรามีจุดจบอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นมีจุดจบทุกคนมีจุดจบไม่ไม่มีใครที่จะหลีกลี่ยนีิไปพ้นไปได้ถ้าหากว่าพวกเราไม่มีวันจุดจบนะ ต่างคนต่างสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยฮไม่มีวันจุดจบหลวงพ่อว่าพวกเราได้สนุกสนานกว่านี้นะแต่นี้มีวันนั้นคอยท่าพวกเราอยู่เพราะนั้นพวกเราควรจะสังส่งสมสังสมบุญจะตั้งอยู่ในความประมาทการสั่งสมบุญก็อย่างที่ครูบาอาจารย์พาประพฤติธปฏิบัติมาเนี่ยนะเออญาติโยมเนอทานให้ทานเนอรัรกษาศีลเนอร์ภาวนาเนอร์คำว่าให้ทานะทานท่านไม่ได้ทิ้งให้คนนั้นคนนี้ อย่างที่หลวงพ่อก็เหมือนกันท่านได้มาสิ่งไหนมาแล้วก็บริจาคอย่างฤาษีซีไพรท่านไปอยู่ในป่าโรงพงไพรท่านมีใบหมักเม่าท่านนึ่งใบหักเมามาถ้ามีฤาษีมาท่านก็บริจาคใบหมักเม่าทานต่ออีกท่านก็แบ่งอยู่แบ่งกินของท่านนั่นแหละคำว่าทานะคือทานจุดนี้นะ่ยไม่ได้เลือกชาติชั้นวรรณะไหนเป็นครูบาอาจารย์เคเห็นไหมองหลวงตาเนี่ย ท่านได้เจอตุปัจจัยมาท่านก็ไม่ได้เก็บงามเอาไว้ท่านก็เสียสละให้แก่ชุมชนสังคมอย่างพวกกูบาลอาจารย์รุ่นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันได้สิ่งไหนมาเราก็พยายามเฉลื่อเผื่อแผ่ต่อชุมชนและสังคมเพราะฉะนั้นเรื่องทานะนี่เป็นทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าใครมีทานไปในสถานที่ใดผู้ที่มาเกี่ยวข้องก็ร่มเย็นเป็นสุขไปหมดแต่ถ้าว่าคน ไม่มีทานก็เดือดร้อนคนไม่มีศีลก็เหมือนกันคนไม่มีภาวนาจิตใจก็ไม่รู้จะปล่อยปวงวางที่ไหนเพราะฉะนั้นทั้งทานทาัน้ทงศีลทั้งภาวนามีความจําเป็นนะออกตลญาติโยมนะวันนี้หลวงพ่อพูดไปกันเหงื่อไหลออกไปด้วยโอ้รู้สึกวอร้อนอขอหยุดสีเพียงเท่านี้ลนะต่อเ น, นี้ไปหลวงพ่อจะแจก MP3 คนละแผน่นละแผน่นที่คําพูดของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อพูดใส่เอ็พสไว้ ของหลวงพ่อจือทำก็คงจะมีมากอยู่มะแต่หลวงพ่อนี่ก็ยังว่านั่นแหะพระท่านอาจไปให้หลวงพ่อก็ได้แจกแๆกแจกแแจ ก, แจ ก, แจกไปแต่หลวงพ่อไม่ได้ทําเองได้มีญาติโยมทํามาแล้วก็หลวงพ่อก็แจกให้ไปฟังฟังดูน้าฟังฟั ง, ฟงดูอย่าพึ่งอย่าพึ่งพูดอะไรบางคนของหลวงตามีพลรงแล้วแหะหลวงพ่ออินจะว่ า, าจะเอามาแข่งหลวงตาอย่าไปว่าอย่างนั้นาบางทีเรากินหูไปฉลามมานานแล้วก็อาจจะกินน้ําพริก กับผักลวกก็อร่อยดีวะแต่จะว่าอย่างนั้นดีอีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังฟังดูแนวความคิดของพ่อแม่กูบายจารอของหลวงพ่ออินฟังว่าอย่างไงบ้างวะแต่ฟังฟังดูบ้างๆนะแต่หลวงพ่อว่าถ้าฟังดูแล้วจะเกิดประโยชน์นะฟังเน็คยิ่งๆนะแต่จะไปคุยกันฟังถ้าคุยกันฟังอย่าไปฟังเลยเทิดหลวงพ่ออินหลวงหลวงพ่ออินพูดช้าพูดไม่เล้าใจอ่างั้นเถอพูดแบบธรรมดาธรรมดา วัานั้นถ้าว่าฟังด้วยความตั้งใจหลวงพ่อว่าจะได้ความรู้ได้แนวความคิดหลวงพ่อจะแจกให้หนึ่งแผ่นเนะ